พระบัญญัติห1 0่ัแก็ภิกษุณีใดบวชให้สายชีวินีแล้วไม่อนเคราะห์ไม่แหอนุเคราะห์ตลอดสองปีต้องอบบาบัติบาคกีตีเรื่องภิกษุณีทุลนันทา